กระผมนั้นจึงขอปริวาสวันเดียวเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้วันเดียวกับสงสงได้ให้ปริวาสวันเดียวเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้วันเดียวแก่กระผมกระผมนั้นอยู่ปริวาสแล้วจะปฏิบัติอย่างไรภิกษุทั้งหลาย